ขอบคุณพระเจ้านะคะทีะ่เราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าร่วมกันแล้วก็จะได้รับฟังเพระว่าจะนะกคำของพระองค์นะคะยังคงเป็นเดือนที่เราะระลึกถึงสตรีอยู่นะคะสิ่งหนึ่งคือข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการที่คนคนนึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากความเก่งความฉลาดหรือความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวเราเห็นคนมากมายที่ดูประสบความสําเร็จในสังคม แต่แก่นภายในอาจจะเป็นคนที่ไร้ศิลธรรมหรือไรคุณธรรมหรือแม้แต่คนที่ปราศจากหรือเป็นได้แม้กระทั่งคนที่ปราศจากความรักเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่คนคนนึงจะเป็นคนเก่งหรือจะเป็นคนดีหรือประสบความสําเร็จและเป็นที่รักของคนเป็นอันมากเนี่ยมันมีปัจจัยมากกว่าแค่ความฉลาดหรือความมุ่งมั่นแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีรากฐานชีวิตที่ดี ซึ่งรากฐานชีวิตที่ดีเนี่ยมันเกิดมาจากการเลี้ยงดูที่ดีหรือการถูกปลูกฝังในสิ่งที่ดีมาตั้งแต่เล็กๆ เ, เหมือนมเมล็ดนะค ะ, มะเมล็ดดีย่อมเกิดผลดีสมเด็จยนะะจ่าของคนไทยนะคะอร์เปิดตอไปเล็กก็ได้นะคะโอเคสมเด็จย่าของคนไทยนะคะเป็นแบบอย่างหนึ่งของแม่ที่ดีเพราะว่าเป็นแม่ผู้สร้างกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยท่านเคยเขียนจดหมาย ถึงสมเด็จพระพันวสามาตุอาจ้า ว, ว่าลูกของหม่อมชันหม่อมชันรักอย่างดวงใจและหม่อมชันมีความตั้งใจอยู่เสมอที่จะนำให้ลูกไปในทางที่ถูกที่ดีสำหรับจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองญาติและบ้านเมืองตัวของหม่อมชันเองทาประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองได้ไม่มากแต่ถ้าช่วยลูกๆให้ได้รับการอบรม การเล่าเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้แล้วหม่อมฉันก็รู้สึกอิ่มใจมากและสมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่9ได้เล่าถึงคําสอนของแม่ในพระนิพนธ์เจ้านายเล็กยุวกษตรได้เล่าตอนหนึ่งว่าสมเด็จย่าจะสอนลูกๆโดยมีใจความตอนหนึ่งระบุว่าแม่ไม่เคยชมเราว่าฉลาดหรืองามจะชมก็เมื่อประพฤติตนดีทาอะไรที่น่าสรรเสริญ เราจึงไม่หลงเหลืงด้วยการพูดให้เข้าใจกันนี้ทำให้เราเป็นผู้ที่นับถือความจริงมีสัจจะไม่หลอกใครและไม่หลอกตัวเองสิ่งหนึ่งที่การที่เราชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9้าของเราเนี่ยนอกจากท่านเองจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เป็นแบบอย่างสิ่งที่สำคัญเพราะว่าท่านถูกเลี้ยงมาอย่างดี ถูกเลี้ยงมาถูกปลูกฝังนิสัยที่ดีและก็เติบโตมาเป็นคนที่คนยกย่องและสรรเสริญเช่นเดียวกันนะคะบุคคลหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลนั่นก็คือโมเสสโมเสสเนี่ยแทบจะ ก, กล่าวว่าเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติยูดาห์เพราะว่าเป็นคนที่นําคนชาติชนชาติยูดาห์เนี่ยออกจากการเป็นเฉลยที่อียิปต์ พระวจะนะคำของพระที่เราอ่านกันไปในพระธรรมอพยพบทที่สองข้อที่1ถึงข้อที่เนี่ยเล่าถึงชีวิตของโมเสสตั้งแต่เกิดแต่ชีวิตของโมเสสเจ้าชายแห่งอียิปต์หรือว่าเป็นผู้นำของชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือแม่ของเขาวันนี้จึงอยากจะให้เราได้มีโอกาสพิจารณา ชีวิตของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยเคเบ็ดโยเคเบดเนี่ยเป็นแม่ของโมเสสสิ่งแรกที่สุดโยเคเบ็ดเป็นใครจากในอพยพบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่1ิบที่เราอ่านกันไปแล้วนะคะว่าชายคนหนึ่งเอาที่งเป็นคนเผ่าเลวีแต่งงานเอาภรรยาซึ่งเป็นคนเผ่าเดียวกันนั่นก็คือคนเลวีเหมือนกัน สิ่งนึงอย่าลืมนะคะว่าคนอิสราเอลเนี่ยเขาอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยและอยู่กันมาในหลายชนในหลายเจเนเรชันเลยและการที่อยู่กันหลายเจเนเรชันแบบนี้เนี่ยบางคนก็คือเกิดและก็โตในอียิปต์และมีชีวิตกลายเป็นคนอียิปต์คนอิสราเอลหลายคนปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม รวมถึงศาสนาของคนอียิปต์ไปด้วยแต่หญิงคนนี้เกิดในตระกูลเลวีตระกูลผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นคนที่ยึดมั่นในความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าโยเคเบตเนี่ยก่อนที่จะมีลูกคนที่สามที่เราอ่านเรื่องของเขาไปเนี่ยเขามีลูกมาแล้วสองคนซึ่งเกิดจากอัมรามอัมรามเนี่ยก็คือบิดาของโมเสส และพี่น้องของโมเสสสองคนเนี่ยก็คืออาโรนกับมิเรียมเวลานั้นเนี่ยที่เราอ่านเรื่องไปแล้วนะคะว่าโยเคเบดเนี่ยมีลูกมาแล้วสองคนอยู่ในอียิปเป็นคนที่รักพระเจ้าเพราะว่าเกิดในตระกูลของผู้รับใช้และเขากำลังตั้งท้องและใกล้จะคลอดลูกคนที่สามและในเวลาที่กำลังจะคลอดลูกคนที่สามเนี่ย ก็มีคำประกาศของฟาโรห์ที่เรื่องของการประหารเด็กชายชาวฮีบรูถ้าถามคนที่เป็นแม่ทุกคนนะคะในเวลาที่เราเนี่ยกำลังจะคลอดลูกมันมีความกังวลของการคลอดบุตรอยู่แล้วในสมัยก่อนเนี่ยมันยิ่งไม่ได้มีวิวัฒนาการที่ดีก็คือมีหมอตำยมีอะไรยังไงคลอดกันในบ้านแต่ในเวลานั้นเนี่ย มันไม่ใช่กังวลเรื่องการแม่โยเคเบตเนี่ยไม่ได้กังวลแค่การคลอดอย่างเดียวแต่ยังไม่รู้ด้วยว่าลูกของตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายและคลอดออกมาเขาจะทำยังไงกับลูกของตัวเองมันคือเวลาที่กาลังจะใกล้คลอดอะคะ่ะคนที่เป็นแม่หลายคนเชื่อว่าโยเคเบตเองเนี่ยคงไม่ใช่นั่งนิ่งเฉยฉ อยู่อย่างมีความสุขและรอเวลาคลอดแต่เธอคงภาวนากับพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนว่าขอให้คลอดลูกแล้วปลอดภัยและคําว่าปลอดภัยของเธอเนี่ยคือถ้าลูกออกมาเป็นผู้ชายเธอยังต้องคิดต่อว่าเราจะทำยังไงเมื่อคลอดออกมาแล้วในพระคัมภีร์บันทึกว่าโยเคเบตเนี่ยแอบซ่อนโมเสสหรือแอบซ่อนลูกเอาไว้เนี่ยสมเดือน ข้าพเจ้าเคยได้ยินบทสนทนาของแม่หลายคนนะคะว่าวินาทีแรกที่เห็นหน้าลูกเนี่ยมันเหมือนกับรักแรกพบเชื่อว่าโยเคเบดเองเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วรู้ว่าลูกเป็นผู้ชายมันคงทำใจไม่ได้อะคะ่ะที่จะปล่อยลูกตัวเองให้ไปตาย และสิ่งที่โยเคเบตตัดสินใจและข้าพเจ้าคิดว่าโยเคก็คงไม่ต่างจากแม่คนอื่นๆแต่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยโยเคเบตเองจะต้องเลี้ยงลูกและเด็กทารกแรกเกิดการที่จะซ่อนทารกแรกเกิดมันไม่ง่ายนะคะถ้าเราคิดถึงสภาพคนอิสราเอลเนี่ยบ้านมันไม่ได้อยู่ห่างๆกันเหมือนคนกรุงเทพนะคะบ้านมันคงอยู่ติดๆกันจะทํำยังไง呀ให้ลูกเราร้องแล้วไม่มีใครได้ยิน เราลองจินตนาการนะคะว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับโยเคเบตที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองคลอดลูกและไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองกำลังลูกมีเด็กทาลกผู้ชายอยู่ในบ้านสิ่งหนึ่งก็คือโยเคเบตต้องนับว่าเป็นคนที่ฉลาดเพราะเขามีวิธีในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าโยเคเบตใช้วิธีไหน แต่เขาสามารถซ่อนลูกได้ถึงสามเดือนจริงๆแล้วในช่วงขวบเดือนแรกของเด็กเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยากเย็นที่สุดแต่เขาสามารถผ่านไปได้และเขาต้องใช้ความกล้าหาญเขาต้องใช้ความเชื่อที่สูงมากๆที่จะซ่อนลูกตัวเองเอาไว้สามเดือนและสิ่งหนึ่งก็คือว่าชื่อของโยเคเบตแปลว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉั้นแล้วเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านอกจากโยเคเบตเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วสิ่งหนึ่งก็คือโยเคเบตเป็นผู้หญิงที่มีความศรัทธาแรงกลา้าการที่เราจะต้องตัดสินใจ <c oughs> เสียสละของบางอย่างที่เรารักดังดวงใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคล วินาทีที่เราต้องตัดสินใจที่จะทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เรารักมากที่สุดความรู้สึกมันจะเป็นยังไงวินาทีที่โยเคเบตรู้แล้วว่าเขาคงจะซ่อนลูกต่อไปอีกคงจะไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการคิดนะคะผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง การที่เราจะตัดสินใจตัดใจจากของที่เรารักเนี่ยมันก็ไม่ยากมากเพราะเราสึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้แต่ถ้าเราต้องตัดใจหากคนคนนั้นหรือสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นคือลูกของเรามันคือชีวิตของคนคนหนึ่งวินาทีที่โอเคเบบต้องตัดสินใจว่าจะต้องเสี่ยงหนึ่งคือเก็บลูกไว้ก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะโดนจับและลูกก็ต้องตายแน่นอนถ้าโดนจับได้ หรือสองถ้าเอาไปลอยน้ำก็ไม่รู้ว่าจะลอยไปที่ไหนใครจะเป็นคนเห็นและเขาจะไว้ชีวิตลูกของเธอหรือเปล่าสิ่งเดียวที่โยเคเบตต้องมีนั่นคือศรัทธาพลังแห่งความศรัทธาว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งลูกของเธอมอบลูกของเธอไว้กับพระเจ้าฉันวินาทีที่โยเคเบตต้องลอยลูก ออกไปในน้ําเธอคงอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองลูกของเธอและพระเจ้าก็ทรงตอบคําอธิษฐานของโยเคเบตโดยที่หนึ่งลูกของเธอปลอดภยัยไม่ได้ถูกปล่อยให้จมน้ําตายอันที่สองยิ่งกว่านั้นพระเจ้าพาลูกของเธอไปพบกับราชธิดาของฟาโร่ และนึกนี่คือชีวิตที่กําลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงของเด็กคนนี้พระเจ้าสิ่งหนึ่งคือเวลาที่พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราอะค่ะหลายครั้งรู้สึกว่าสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือการที่ต้องเอาเด็กคนนี้ให้พ้นจากอียิปต์ให้พ้นจากมือคนอียิปต์แต่สิ่งที่พระเจ้าทำกับตรงกันข้ามพระเจ้าพาเด็กคนนี้ไปอยู่ในมือของคนอีบพระเจ้าพาเด็กคนนี้ ไปอยู่ในมือของคนอียิปต์เพื่อจะใช้เขาสำหรับแผนงานที่ยิ่งใหญ่ศรัทธาของหญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึง่งที่มีความเชื่อที่เต็มเปี่ยมและพระเจ้าก็ใช้ลูกของเธอเป็นพอรอันยิ่งใหญ่สำหรับคนอื่นและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าศรัทธาจากในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเอดข้อที่หนึ่งความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงแต่เรื่องมันไม่ได้จบลงที่แค่ว่าเด็กคนนี้ไปอยู่ในมือของทิดาฟาโรห์แต่พระเจ้าพลิกทุกอย่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือพี่สาวของโมเสสหรือพี่สาวของทารกคนนั้นไปถามพระราชาทิดาว่าอยากได้คนเลี้ยงเด็กไหมอยากได้แม่นมชาวฮีบรูไหม และพระเจ้าให้เด็กคนนี้กลับคืนสู่มือของแม่ตัวเองนี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นและแผนการของพระเจ้ามันเกินความเข้าใจของมนุษย์และข้าพระเจ้าคิดว่ายโยเคเบดเองก็ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นแบบนี้แต่เขามีสิ่งเดียวคือเขาส่งลูกเขาให้อยู่ในมือของพระเจ้าและแล้วแต่น้าพระทัยของพระเจ้า แผนการของพระเจ้าส่งโมเสสไปอยู่ในมือของคนอียิปต์และส่งกลับมาสู่โยเคเบตและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเมื่อเด็กคนนี้กลับคืนสู่มือของโยเคเบดเธอปลูกฝังและสร้างเด็กคนนี้ให้เป็นคนที่รักพระเจ้าโยเคเบตได้ลูกคืนมาเธอไม่ได้เลี้ยงลูกคนนี้ ให้เป็นเจ้าชายอีบแต่เธอเลี้ยงเด็กคนนี้ให้เป็นคนยิวปลูกฝังชีวิตและศรัทธาแบบยิวฉะนั้นเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาด้วยสํานึกแบบคนยิวและรู้มาตลอดว่าตัวเองคือชาวฮีบรูเพราะว่าในข้อที่ส1บอ็ดในข้อที่ส1บอดได้บอกเอาไว้ว่าครั้นโมเสส เ, เติบโตขึ้นมาแล้ว วันหนึ่งจึงไปหาพวกพี่น้องเห็นเขาต้องทำงานตรากตําโมเสสเห็นคนอียิปต์คนหนึ่งกำลังตีคนฮีบรูซึ่งเป็นชนชาติเดียวกับตนโมเสสเติบโตโมเสสถูกเลี้ยงดูโดยแม่ของตัวเองที่เป็นชาวยิวถูกสร้างให้เป็นยิวให้มีชีวิตและมีจิตใจแบบยิวแต่ต้องไปโตที่ในหวัง โมเสสไม่เคยลืมสิ่งที่แม่สอนสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะว่าสิ่งใดที่พ่อแม่ปลูกฝังลูกในวัยเด็กนั้นมันคือรากฐานอันสําคัญที่ก่อร่าง <c oughs> ตัวตนของเขา <c oughs> และแก่นแท้ของภายในของเขาโยเคเบดใช้เวลาทั้งหมดที่เธอมีสอนโมเสสให้รู้จักพระเจ้า และผลของคำสอนนั้นนำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาสู่คนอิสราเอลนั่นคือการถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสการเป็นทาสคือจุดเริ่มต้นการถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสคือจุดเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ใหม่ของคนอิสราเอลและเป็นจุดเริ่มและเป็นจุดสำคัญในความเชื่อของคนยิวหากวันนั้นโยเคเบดไม่คิดจะปกป้องลูกตัวเองก็ไม่มีทาง ที่จะมีโมเสสไม่มีทางที่จะมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่ยิ่งใหญ่กว่าโมเสสสำคัญนอกเหนือจากพระเจ้าแล้วก็คือผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่ชื่อว่าโยเคเบทดคำว่าแม่เนี่ยเป็นคำที่สั้นๆนะคะแต่มันกินความหมายคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือการปลูกฝังลูกในวัยเด็กเนี่ยมันคือการสร้างชีวิต มันคือการสร้างคนคนที่อยู่บุพการีของเราคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในชีวิตไม่มีใครสักคนหนึ่งยืนเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือแรงบันดาลใจในชีวิตข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งให้ฟังนะคะคนคนนี้ชื่อว่าวิลม玛รูดอฟเป็นนักวิ่งทีมชาติอเมริกันเป็น คนที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1960และได้เหรียญทองโอลิมปิกถึงสามเหรียญวิลารูดอลฟเนี่ยเกิดมาในครอบครัวของคนอเมริกันผิวสีแล้วก็ยากจนตอนนี้เขาอายุประมาณ4ี่ขวบถ้าเราขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะเราจะนี่คือวิลาตอนอายุ4ี่ขวบแล้วก็เริ่มเขาตวรวจเลพ่อแม่เขาเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาขาของเขามันไม่ปกติ และก็เลยพาไปหาหมอและสิ่งที่พบก็คือว่าเธอเป็นโปลิโอหมอบอกว่าเธอเป็นโปลิโอและจะเดินไม่ได้เธอจะต้องใส่ที่ช่วยเดินตลอดชีวิตของเธอแต่แม่ของวิลม่าให้กําลังใจวิล玛 ม, มาตลอดและบอกกับเธอว่าลูกสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่ลูกอยากจะทําวิลม่าบอกแม่ว่าหนูอยากจะเป็นผู้หญิงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก แม่หนูจะเดินได้โดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยเดินใช่ไหมแม่ของเขาบอกว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะจะเป็นไปได้อย่างไรวิลมาบอกแม่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็หมอบอกว่าหนูจะต้องใส่ที่ช่วยเดินไปตลอดชีวิตแม่ของวิลมาบอกวิลมาว่าด้วยความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ความตั้งใจและศรัทธาที่ลูกมีหนูจะทำอะไรก็ได้ และเมื่อวิลมาอายุเก้าขวบเธอเริ่มถอดที่ช่วยเดินและเริ่มเดินเก้าแรกหลังจากนั้นอีกสี่ปีเธอเริ่มวิ่งแข่งครั้งแรกโดยที่ไม่มีที่ช่วยเดินหลังจากนั้นอีกสปีเธอเข้ามาหาวิทยาลายัยและได้ฝึกกับโค้ชที่มีชื่อเสียงและโค้ชที่มองเห็นศักยภาพในตัวเธอและเธอได้เข้าเป็นทีมชาติอเมริกันและเข้าแข่ง โอลิมปิที่โรมเธอวิ่งแข่งร้อเมตร200เมตรและ400เมตรและได้รับเหรียญทองโอลิมปิกสามเหรียญในการแข่งโอลิมปิกซึ่งในเวลานั้นนักกรีธาอเมริกันยังไม่มีใครได้เหรียญทองเลยสักคนนักวิ่งที่เคยเป็นโริโอมาก่อนแต่ได้เหรียญทองถึงสามเหรียญชัยชนะของวิลมาวิลมาเขาให้สัมภาษณ์ว่า ชัยชนะของเขาเกิดมาจากแม่ที่ไม่หมดหวังในตัวเขาคนที่ไม่ยอมแพ้เลยนั่นก็คือแม่ของเขาแม่ของวิลมาเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนคนผิวสีในเวลานั้นงานของเขาคือการรับจ้างซักผ้ารับจ้างซักผ้าทำความสะอาดบ้านของคนขาวในอเมริกัน ซึ่งหาเช้ากินคำ่ำแต่ในเวลานั้นแม่ของวิลาเองพาเขารู้ว่ามีหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านของตัวเอง75กิโลเมตรเขาแม่ของวิลาพาวิลาไปหาหมอทำกายภาพบำบัดรักษาการเดินสัปดาห์ละสองครั้งเป็นเวลาสองปีจนกระทั่งวิลาเริ่ม เดินได้เหมือนคนปกติและเริ่มเล่นบาสเกตบอลได้ถามว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งหาเช้ากินคําเขาต้องสละวันสัปดาห์ละสองวันพาลูกนั่งรถเม7์บกิโลเมตรเพื่อไปหาหมอแต่เพราะว่าแม่ไม่เคยหมดหวังในตัวเขาและเขาสามารถที่จะพอกความหวังของคน สามารถทําให้คนชนะความจํากัดของร่างกายจากเด็กที่เป็นปอริโอสามารถกลายเป็นนักวิ่งโอลิมปิกความสําเร็จของทุกชีวิตไม่ได้เกิดจากความโชคดีไม่ได้เกิดจากแค่แต่มันเกิดจากวินยัยและคําสั่งสอนที่ดีความหวังที่ดีคําตักเตือนที่ดีของพ่อแม่และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเชื่อว่าพระเจ้าสร้างชีวิต ของเรามาและคนทุกคนที่พระเจ้าสร้างเขามีศักยภาพในตัวเสมอสิ่งหนึ่งคือเราทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เชื่อว่าใครก็ตามไม่ว่าเราจะมีลูกหรือไม่มีลูกเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนลุกขึ้นสู้ในเวลาที่เขาหมดหวังและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าพระเจ้าสร้างเราทุกคนมาพิเศษ และเราทุกคนมีค่าในสายพระเนรของพระเจ้าเสมอและพระเจ้าคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวย พ, พรค่ะ